บทที่สิบสามโยมนินทาพระหลวงพี่บวชถึง 10, สิบพรรษาหรือยังครับในจอยถามพระโวเฮียวหลังจากลูกศิษย์วัดกลับไปแล้วอัตมาบวชครบเดือนเมื่อวานนี้เองหลวงพี่ตอบ รู้ว่าชายผู้นี้เป็นหลานท่านพระครูเห็นจะต้องดูแลเอาใจใส่เป็นพิเศษยังน้อยก็เป็นการตอบแทนบุญคุณที่ท่านพระครูมีต่อท่านจริงเหรอครับผมนึกว่าหลวงพี่บวชมาไม่ต่ำกว่า 10, สิบพรรษาสิอีกในใจคิดว่าอายุของหลวงพี่รูปนี้คงประมาณสัก4ี่สิบหรือกว่านั้นอาตมาดูแก่มากขนาดนั้นเชียวหรือ ท่านถามไม่แก่หรอกครับผมว่าหลวงพี่ดูเหมือนคนอายุสัก 36-37 พูดแหมเอาใจหลวงพี่หากฝ่ายนั้นกลับโวยวายว่าเห็นไหมในที่สุดคุณก็ว่าอาตมาแก่จริงๆนั่นแหละมีอย่างหรืออาตมาเพิ่งอายุ26กลับมาว่าแกกว่าอายุตั้งสิบปี พูดอย่างน้อยใจจริงหรอครับถ้างั้นหลวงพี่ก็แ ก, ก่วกผมปีเดียวเองแม้ผมนึกว่าหลวงพี่อายุสี่สิบสอีกว่าแต่ว่าหลวงพี่จาไม่ผิดนะครับหรือว่าโยมแม่เข้าไปแจ้งเกิดตอนหลวงพี่สิบขวบนายจอยไม่วายกังขาพูดอย่างนั้นก็ไม่สวยนะคุณนาะอยู่ดีไม่ว่าดี มาเที่ยวค่อนแคกคนอื่นเขาไม่เคยมีใครว่าอาตมาอย่างนี้นอกจากคุณพระโวเหียวออกกรดโกรธนายจอยเห็นท่าไม่ดีจึงรีบแก้ว่าใจเย็นๆสิครับหลวงพี่ผมล้อเล่นเท่านั้นเองก็หลวงพี่ดูสงบเส ง, เงีเหมหน้าเลื่อมใสผิดกับพระทั่วๆไปที่ผมเคยรู้จักผมก็เลยนึกว่าหลวงพี่แก่พรรษา พวกพระแถวบ้านผมสิอีกยังไม่ได้เรื่องไม่ได้เรื่องอยังไงพระบัวเหียวอารมณ์ดีขึ้นนิดหนึ่งก็ไม่น่าเลื่อมสายอย่างหลวงพี่นะสิครับเป็นต้นว่าไม่สำรวมกิริยาจะเดินจะเหินก็ว่ากันเสียีวรเปลิวแถมตอนเย็นเย็นยังถกขมิบเตะตะกร้อกันเป็นที่ครื้นเครงยิ่งองค์ที่ชื่อหลวงตาทองยิ่งหนักกว่าเพื่อน เมาเช้าเมาเย็นเดินโซซัดโซเซไม่ตรงทางเหมือนคนอื่นเขาและสมภารเ้าไม่เข้มงวดเอารอึสมภาร น, น่ะตัวร้ายไม่เคยอยู่วัดหรอกครับชาวบ้านเขาลือกันว่ากแกไปอยู่กับเมียวันโกนวันพระถึงกลับวัดในจ่อยอ้างชาวบ้านเป็นพระมีเมียได้หรือหลวงพี่คาน ด้วยไม่เคยได้ฟังเรื่องนี้มาก่อนพระแท้น่ะมีไม่ได้แน่แต่นี่มันพระปลอมนี่ครับพวกมาอาศัยผ้าเหลืองหากินอย่างหลวงตาทองเนี่ยแกติดเหล้ามาก่อนที่จะมาบวชก็เพื่อจะให้เลิกเหล้าแต่ก็เลิกไม่ได้ส่วนสมพา น, นั้นผมก็ไม่ได้ใส่ร้ายแกหรอกเคยมีชาวบ้านเขาแอบไปดูที่บ้านเมียแกก็เป็นอย่างนั้นจริงๆ นายจอยไม่ได้บอกว่าตัวเขาก็ไปดูกับชาวบ้านด้วยแล้วทำไมเขาไม่จับศึกซะละ่ะแบบนี้เสียชื่อเสียงวัดแล้วก็ยังทำให้พระาศาสนามัวหมองพระบัวเหียวรู้สึกไม่สบายใจที่ได้ยินได้ฟังเรื่องมันยาวครับหลวงพี่ คือสมพานแกเป็นคนมีอิทธิพลในว่าก่อนบวชเคยเป็นนักเลงมาก่อนพอชาวบ้านเขาจะเอาเรื่องแกก็ใช้วิธีเชือดไก่ให้ลิงดูคืออยู่ๆกรรมการวัดคนที่เป็นตัวตั้งตัวตีก็ถูกฆ่าตายเขารู้กันทั้งบางว่าสมพานเป็นผู้บงการแต่ไม่มีใครกล้าฟ้องร้องเรื่องก็เลยเงียบไปแบบนี้ก็แย่น่ะสิ คนฟังรู้สึกเศร้าสลดหัวใจยิ่งนักแย่หรือไม่แย่พวกชาวบ้านเขาก็ประท้วงด้วยการเลิกทำบุญตักบาตรก็ในเมื่อพระทำตัวไม่ดีคนก็หมดความเลื่อมใสอาตมาว่าทาอย่างนั้นก็ไม่ถูกการที่เราเห็นพระไม่ดีบางส่วนแล้วก็จะเมาเอาว่าเป็นพระอย่างนั้นทั้งหมดมันก็ไม่ยุติธรรมกับพระเพราะพระดีๆยังมีอีกมาก อีกประการหนึ่งการเลิกทาบุญทาทานก็เป็นการตัดทางกุศลของตัวเองหมายความว่าอย่างไรครับก็หมายความว่าเมื่อเราเลิกทาบุญก็เป็นการตัดโอกาสทางสวรรค์ตัดโอกาสการสร้างสมบา ร, รมีเช่นทานบา ร, รมีเป็นต้นคุณต้องเข้าใจนะว่าพระก็คือคนนั่นแหละแล้วคนก็มีทั้งคนดีคนชั่ว เมื่อคนมาบวชเป็นพระก็เลยมีทั้งพระดีและพระชั่วแต่ถึงเราจะทำบุญกับพระชั่วก็ไม่ได้แปลว่าเราจะต้องชั่วไปตามท่านด้วยอา้าวถ้าอย่างนั้นสมมุติว่าผมทำบุญกับหลวงตาทองยี่สิบบาทแล้วแกเอาเงินนั้นไปซื้อเหล้ากินในฐานะที่ผมเป็นเจ้าของเงินผมไม่บาปหรือไงนายจ่อยคาน นั่นแสดงว่าคุณเข้าใจผิดการทำบุญนั้นไม่ว่าจะทากับใครถ้าเราทําด้วยบริสุทธิ์ใจและของทาบุญนั้นได้มาด้วยความบริสุทธิ์เราก็ได้บุญแล้วสมมติว่ามีพระรูปหนึ่งมาบอกบุญว่าจะเอาเงินไปสร้างโบสถ์คุณเชื่อจึงทําบุญไป20สิบบาทด้วยความเต็มใจเมื่อคุณทำคุณก็ได้บุญทันทีนั่นคือบุญเกิดปีติ เออบอิ่มใจว่าได้บุญทีนี้ถ้าพระรูปนั้นเอาเงินไปซื้อเหล้ากินท่านก็บาปเองโดยที่บาปนั้นไม่มาถึงคุณอย่างแน่นอนเพราะคุณไม่ได้รู้เห็นเป็นใจกับท่านแต่ถ้าท่านนําไปสร้างโบสถ์จริงคุณก็จะได้บุญสองต่อเพราะฉะนั้นการทําบุญเมื่อไรก็ได้บุญเมื่อนั้นสุดแต่ว่าจะได้มากหรือน้อยและที่สําคัญก็คือการทําบุญเป็นการสืบต่อพระาศาสนา เพราะถ้าคนพากันคิดเหมือนกันหมดว่าเมื่อพระทำตัวไม่ดีเขาก็เลิกทำบุญต่อไปพระศาสนาก็ตั้งอยู่ไม่ได้จริงไหมหลวงพี่อธิบายเสยืดยาวชั่วเวลาเพียงเดือนเดียวของการบวชท่านหูตากว้างขึ้นสามารถเข้าใจอะไรอะไรได้ลึกซึ้งกว่าแต่ก่อนคงจะจริงอย่างที่หลวงพี่ว่าคนที่มาบวชพระ บางคนเขาก็ไม่ได้ตั้งใจมาบวชคือไม่ได้มาบวชเพื่อละกิเลสแต่บวช ด, ด้วยเหตุผลอื่นบางคนลูกเกเรไม่เอาทานก็จับมาบวชบางคนไปปล้นไปฆ่าเข้ามาก็มาอาศัยผ้าเหลืองหลบภยัยวัดก็เลยกลายเป็นที่รวมของคนชั่วแม้แต่หมาแมวที่ไม่ดีคนเขาก็เอามาปล่อยวัดก็ต้องรับกรรมกันไป นายจ่อยพูดโปรงๆแต่ถึงจะเป็นคนชั่วมาก่อนถ้าบวดแล้วกลับตัวกลับใจได้ก็นับว่าเป็นวาสนาของเขาพระบัวเฮียวอดนึกถึงอดีตของตัวเองไม่ได้ครับมันก็ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายอย่างเป็นต้นว่าสิ่งแวดล้อมหรือว่าโชควาสนาของคนคนนั้นที่สําคัญที่สุดก็คือถ้าได้ครูบาอาจารย์ดี ก็มีโอกาสเปลี่ยนนิสัยได้อย่างอาตมาเนี่ยถ้าพูดกันตรงๆก็ใช่ว่าจะเป็นคนดิบคนดีอะไรแต่มาได้ครูดีที่วัดนี้หลวงพ่อท่านเคร่งครัดมากพระรูปใดทำตัวไม่ดีท่านก็นิมนต์ให้ไปอยู่วัดอื่นเอ๋หลวงพี่บอกว่าเพิ่งบวชได้เดือนเดียวแสดงว่าหลวงพี่บวชในพรรษาใช่ไหมครับโชคดีจัง ที่หลวงน้ายอมบวชให้ถ้าเป็นวัดอื่นเขาต้องรอให้ออกพรรษาเสียก่อนใช่ท่านพระครูท่านเมตตาอัตมามากทีเดียวท่านบอกว่าจะบวชในพรรษาหรือนอกพรรษาไม่สำคัญมันสำคัญอยู่ที่ว่าบวชแล้วตั้งใจปฏิบัติหรือเปล่าท่านบอกคนที่บวชหลายพรรษาแต่ไม่ได้ปฏิบัติก็ยังสู้คนที่เข้ากรรมฐานแค่เจ็ดวันไม่ได้ถึงว่าสิ หลวงนาถึงอยากให้ผมกับคู่มั่นอยู่เข้ากรรมฐานฟังดูหลวงพี่พูดอย่างนี้แล้วผมก็สบายใจเวลาถูกคนอื่นค้อนแคะว่าเป็นคนดิบผมจะได้อธิบายให้เขาฟังเป็นยังไงคนดิบหลวงพี่ไม่เข้าใจคนดิบก็คือคนที่ไม่ได้บวชได้เรียนไงครับอย่างผมความจริงก็บวชเนนมาตั้งหลายพัรษา แต่ไม่ได้บวชพระคนเขาก็เลยชอบมาเปรียบเปรยถากถางว่าเป็นคนดิบยังกับพวกคนสุขมันดีกันนักหลวงพี่รู้ไหมบางคนบวชกันทีก็ฆ่าวัวฆ่าหมูจัดงานเลี้ยงกันใหญ่โตร่ำสุรายาเมากันเปลอะไปหมดเพลอเผลอคนที่เป็นนาก็เอากับเข้าด้วยตอนนั่งทำขวัญ น, นาก็สับประงกเพราะความเมา บวชได้สิห้าวันก็สึกออกมาแล้วแบบนี้จะว่าได้บุญหรือก็เปล่าไอ้ที่ข้าวัวข่าหมูก็ต้องไปตกนรกใชจกรรมอีกผู้พูดไม่ทันสังเกตว่าผู้ฟังหน้าถอดสีเมื่อได้ยินข้อความว่าไอ้ที่ข้าวัวข่าหมูก็ต้องไปตกนรกกันอีกตอนอาตมาบวชไม่ได้ข่าวัวข่าหมูอย่างที่คุณว่าหลวงพ่อท่านไม่ทําอะไรยุ่งยากอย่างนั้น พระโบเฮียวร้อนตัวลงน้าท่านเป็นคนตรงและก็เจ้าระเบียบอย่างเวลามีงานบวชท่านแม่อนุญาตให้แห่สิงโตหรือกลองยาวเพราะเสียงมันไปรบกวนคนที่เขากำลังปฏิบัติกรรมฐานท่านบอกว่าการทำอย่างนั้นไม่ได้บุญและยังสิ้นเปลืองเงินทองโดยใช่เหตุผมเคยไปงานบวชเพื่อนที่วัดวัดหนึ่ง ชื่ออะไรก็จำไม่ได้เสียละชื่อวัดหรือชื่อเพื่อนที่ว่าจำไม่ได้น่ะชื่อวัดสิครับส่วนชื่อเพื่อนผมจำได้แม่นมากเพราะมันชื่อเดียวกับผมแล้วยังไงงานบวชเพื่อนคุณทุเรศที่สุดที่ผมเคยเห็นมาคือมันเมากันเละเลยตอนแห่หน้ารอบโบสก็พากันราแอนหน้าแอบหลังทั้งผู้หญิงผู้ชาย แถมทิ้งขวดเหล้าขวดเบียร์ไว้เกลื่อนกลาดตามกำแพงโบสถ์บ้างตามพื้นบ้างถ้าเป็นวัดป่ามะม่วงลุกหน้าเอาตายเลยในจอยเล่าชอตๆอาตมาว่าเป็นเพราะเขาเข้าใจไม่ถูกต้องคิดว่าทำอย่างนั้นจะได้บุญที่จริงชาวพุทธเรายังเข้าใจาศาสนาผิดๆกันอีกมากอาตมาเองก็เพิ่งมาเข้าใจถูกต้องมาตอนบวชนี่แหละ ผมว่าเขาทำตามประเพณีมากกว่าคือทำตามกันมาจนกลายเป็นประเพณีหลวงพี่เห็นด้วยไหมครับว่าประเพณีบางอย่างมันก็ไม่ถูกต้องและการทำตามประเพณีใช่ว่าจะถูกต้องเสมอไปอันนี้เห็นจดจริงอาตมาไม่เห็นด้วยกับการกระทำหลายๆอย่างของชาวพุทธซึ่งเขาอ้างว่าทำตามประเพณีเป็นต้นว่าไปทำบุญแต่เดิมเล่า อย่างงานพับป่างานกรถินซึ่งเป็นงานบุญก็พากันดื่มเหล้าเมาแอเมื่อเมาก็ขาดสติแล้วมันจะไปได้บุญยังไงก่อนถวายพระป่าถวายกรถินพระท่านให้รับศีลก็รับกันไปงั้นๆพอออกจากวัดก็ร่ำสุรากันโดยไม่เกรงใจศีลที่รับจากพระมายกยกอย่างนี้อาตมาว่าขัดทุนนะโบราณท่านถิงสอนไว้ว่า การทำบาปแลกบุญมักจะขาดทุนอยู่ร่ำไปนั่นสิครับอย่างเรื่องบวชก็เหมือนกันสมมุติว่าตอนบวชเขาต้องฆ่าหมูฆ่าวัวเพื่อนามาเลี้ยงพระเลี้ยงคนพอศึกออกมาปรากฏว่าบาปกับบุญที่ได้มันไม่สมดุลกันบาปมากกว่าก็ต้องไปตกนรกในจอยย้อนมาพูดเรื่องปานาติบาต ท, ทำให้พระบวเหียวใจหดหูอีกครั้ง แม้คนพูดจะไม่ล่วงรู้การกระทําแต่หนหลังของท่านแต่ท่านรู้ตัวท่านและรู้สึกสะเทือนใจทุกครั้งเมื่อถูกสกิจขึ้นชื่อว่าบาปหากใครทําก็ต้องพกพามันติดตัวติดใจไปทุกแห่งหนดุดเงาติดตามตัวฉะนั้นพระบัวเหว่กำลังเสวยผลของบาป คุณบวชเนนอยู่นานไหมถามเพื่อต้องการเปลี่ยนเรื่องไม่อยากได้ยินได้ฟังในสิ่งที่ทำให้ใจเศร้าหมองห้าพรรษาครับตั้งแต่อายุสิบปีถึงสิบห้าปีอยู่กับหลวงพ่อมาตลอดเลยเหรอครับงั้นก็ได้วิชาดีๆจากหลวงพ่อมามากนะสิเห็นมหาบุญเล่าให้อัตมาฟังว่าหลวงพ่อท่านเก่งทางคุณสายด้วยจริงครับ แต่ท่านไม่ให้ใครหรอกท่านว่าวิชาพวกนี้ไม่มีประโยชน์ช่วยให้พ้นทุกข์ไม่ได้ถึงท่านจะเก่งทางคุณไสแต่หลังจากที่ทุดงไปเรียนกรรมาฐานกับหลวงพ่อในป่าแล้วท่านก็ทิ้งสยศาสตร์หมดใครขอเรียนท่านก็ไม่สอนให้ท่านว่ามันเป็นเดรัจฉานวิชาได้ไปแล้วก็รังแต่จะก่อเวรก่อกรรมกันมากขึ้นแปลว่าท่านไม่เคยนาวิชาเหล่านี้มาใช้เลย ก็ใช้บ้างเหมือนกันแต่ใช้เท่าที่จำเป็นเพว่าไม่สอนให้ไครท่านจะสอนคนอื่นเฉพาะวิชากรรมฐานเท่านั้นท่านว่านี่เป็นของจริงช่วยให้พ้นทุกข์ได้ส่วนศยลศาสตร์เป็นของปลอมแต่ท่านก็เคยเอามาใช้บ่อยเป็นต้นว่าเวลาคนถูกผีเข้าท่านก็มีคาถาไล่ผีผมเคยไปกับท่านบ่อย บางคนที่เข้ามาตามตอนตีหนึ่งตีสองบอกเมียถูกผีเข้าหลวงน้าก็ให้ผมไปด้วยท่านไล่ผีเก่งจริงๆนอกจากนี้ท่านก็ยังมีคาถาออกลูกง่ายเมียใครออกลูกยากท่านก็เอากล้วยน้ำว้าสุกมาเสกให้กินกินปุ๊บเด็กออกปับ๊บเรากับปฏิหารแล้วเนื้อคู่ละ่ะท่านดูเนื้อคู่แม่นไหม อยากให้ในจอยตอบว่าไม่แม่นเพื่อจะมีความหวังได้พบเนื้อคู่กับเขาบ้างหากได้จอยกลับตอบชัดเจนว่าแมนที่สุดในโลกเลยละ่ะแมนพันเปอร์เซนต์เลยดูอย่างเรื่องของผมก็แล้วกันไม่นึกไม่ฝันว่าจะมาเป็นคู่รักกับอิจุกเอ๊ยจุกเขาแต่ก็ต้องเป็นเพราะความดูแม่นของหลงนะ้า หลวงพี่จะฟังไหมครับถ้าไม่ฟังผมก็จะไม่เล่าเล่าไปสิอาตมากําลังฟังแต่ถ้าหลวงพี่ไม่อยากฟังผมไม่เล่าก็ได้นะครับคนเล่าทําเล่นตัวอยากฟังสิพระโบเฮียวยืนยันเรื่องมันเป็นอย่างนี้ในจอยเริ่มต้นเล่าอย่างตั้งอกตั้งใจตั้งแต่ต้นจนจบคนฟังจึงขัดขึ้นว่า เทข้าวทิ้งน้ำก็เป็นอบัตนะสิมันผิดวินยัยข้อไม่เคารพบิณฑบาตหลวงพี่อ้างวินยัยหลวงนาะท่านบอกว่ามันอยู่ที่เจตนาเราไม่ได้เททิ้งเทคว้างแต่เราเจตนาจะเลี้ยงปลาปลาชุมมากเลยหลวงพี่เทลงไปแป๊บเดียวปลามันก็ฮุบกินหมดเลยมันพากันมาเป็นฝงฝงแต่ก็น่าเห็นใจท่านนะ ท่านเป็นคนสะอาดสะอ้านถ้าเป็นอาตมาก็คงฉันไม่ลงเหมือนกันแม้จะไม่ใช่คนสะอาดสักเท่าไรแต่จะให้ฉันข้าวผสมน้ำมูกไม่ไหวแน่นั่นสิครับพูดก็พูดเธอหลวงพี่เมื่อก่อนนี้ผมเกลียดจุกมากๆเลยกโกรธลงนาอยู่หลายวันนึกว่าท่านแกล้งผมบอกยกให้ลหลวงน้าก็แล้วกันผมไม่เอาหรอก และตอนนี้ยังคิดจะยกให้หลวงพ่ออยู่อีกหรือเปล่าพระบัวเหี่ยวแกล้งถามในใจหัวเรา ะ, ะแหะๆก่อนตอบว่าเป็นตายยังไงก็ไม่ยอมใครจะมาแย่งจุกจากผมเป็นต้องข้ามศพกันไปก่อนละหลวงพี่ไม่รู้อะไรจุกตอนเด็กกับตอนเนี้ยผิดกันราวฟ้ากับดินตอนเด็กดูสุขปรกขี้มมกมาก แต่ตอนนี้สะอาดสะอ้านแล้วก็สวยอย่างกานางฟ้าเดี๋ยวหลวงพี่ก็จะได้เห็นเขาจะขึ้นกรรมฐานพร้อมผมหลวงนาสั่งไว้ว่าให้ไปขึ้นกรรมฐานตอนหกโมงเย็นเสร็จแล้วให้ผมมาปฏิบัติกับหลวงพี่ที่กุติส่วนเขาไปปฏิบัติกับแม่ชีก็ดีนะสิอัตมาจะดูว่าระหว่างคู่รักของคุณกับคู่รักของหลวงพ่อใครจะสวยกว่ากัน พระโ ว, วเฮลเผยพูดในสิ่งที่เป็นความลับความจริงท่านยังไม่เคยเห็นคนที่เคยเป็นคู่รักของหลวงพ่อเมื่อชาติที่แล้วแต่ก็คิดว่าวันหนึ่งจะต้องได้เห็นเพราะท่านพระครูบอกว่าเขาจะมาช่วยสร้างหอระฆังถวายหลวงพี่หมายความว่ายังไงครับหลวงน้าหน้าหรือมีคู่รักไม่น่าเป็นไปได้ผมอยู่กับท่านมาห้าปี ยังไม่เคยได้ยินข่าวหรือว่าท่านเพิ่งมามีเอาตอนหลังในจอยซักอาตมาเผลอไปคุณอย่าไปถามท่านนะไม่งั้นผมตายแน่ๆก็ได้แต่หลวงพี่ต้องเล่าให้ผมฟังอาตมารับปากกับท่านแล้วว่าจะไม่เล่าให้ใครฟังอย่าให้ต้องเสียคำพูดเลยนะพระโบเฮียววิงวอน งั้นหลวงพี่ก็เลือกเอาก็แล้วกันว่าจะให้ผมไปถามหลวงนาหรือว่าจะเล่าให้ผมฟังคนถือไพ่เหนือกว่ายื่นข้อเสนอนี่อาตมาไม่มีทางเลือกอื่นเลยหรือไงหลวงพี่ถามเชิงต่อรองไม่มีครับในจอยตอบเสียงหนักแน่นพระบัวเหยียวยกมือทั้งสองประนมไว้ระหว่างอก แล้วพูดด้วยเสียงที่นายจอยได้ยินชัดเจนว่าหลวงพ่อครับผมขออภัยที่ต้องผิดสัญญาขอให้บาปกรรมในครั้งนี้จงตกอยู่ที่นายจอยแต่เพียงคนเดียวอ้าวไงเป็นงั้นละหลวงพี่นายจอยโวยวายก็อาตมาบอกแล้วว่ามันเป็นความลับในเมื่อคุณอยากรู้ก็ต้องรับเอาบาปไปด้วย อยากมาคาดคันอาตมาตทำไมหลวงพี่นะหลวงพี่บอกตรงๆว่าในชีวิตผมยังไม่เคยเห็นใครฉลาดเท่าหลวงนาเพิ่งจะมาเจอหลวงพี่นี่แหละที่แม้จะฉลาดน้อยกว่าหลวงน้านิดหนึง่งแต่ก็ต้องนับว่าเป็นคนฉลาดอย่างหาตัวจับยากพระบุวเฮียวฟังแล้วไม่กล้าดีใจเพราะไม่รู้ว่าในจ่อยพูดติหรือว่าพูดชมกันแน่ คลั้นจะถามออกไปตรงๆก็เกรงจะเสียเหลี่ยมจึงนั่งเฉยอยู่นิมนเล่าได้แล้วครับในจ่อยเตือนไม่เล่าแล้วอาตมาไม่อยากให้คุณบาปลงพี่เปลี่ยนใจไม่เล่างั้นผมไปถามลงหน้าก็ได้ในจอยคู่ หากก็ไม่ได้ผลเพราะพระโบเยียวกลับยุส่งไปเลยรีบไปเร็วเร็วเดี๋ยวท่านขึ้นไปเขียนหนังสือและจะต้องรอนานไปสินายจอยถึงกับอึง้งไม่นึกไม่คิดว่าท่านจะมาไม้นี้แต่สมองอันเฉียบไวก็สั่งปากว่าผมนึกออกแล้วที่หลวงพี่ไม่เล่าก็เพราะมันเป็นเรื่องไม่จริง หลวงพี่ไม่กล้าเล่าเรื่องไม่จริงใช่ไหมที่แท้หลวงพี่ก็ไม่รู้อะไรมากไปกว่าผมแต่แกล้งทำเป็นรู้คิดว่าคราวนี้คงจะให้อีกฝ่ายหนึ่งจนมุมได้หาก็ผิดหวังเมื่อหลวงพี่พูดว่าอาตมาดีใจถ้าคุณคิดได้อย่างนั้นจริงๆว่าแต่ว่าคุณอยู่กับหลวงพ่อมานาน เคยเห็นผู้หญิงสวยๆมาหาท่านบ้างไหมท่านหมายถึงสตรีที่ท่านพระครูเคยเล่าให้ฟังแต่นายจอยไม่เคยรู้เรื่องมาก่อนจึงต่อไปตามที่ตนมีประสบการณ์ว่าหลายคนเชละหลวงพี่ทั้งสาวแก่แม่ไม้ตั้งแต่สวยหยาดเยิม้มไปจนถึงผีลงหลุมเป็นยังไงที่ว่าผีลงหลุมนะ่ะคนฟังไม่เข้าใจอ้าว ก็ขี้เล่เหมือนกับผีหลงหลุมนะสิแต่เชื่อไหมลงน้าท่านไม่สนใจใครสักคนบางทีท่านก็ว่าให้ด้วยซ้ำอย่างคนหนึ่งเป็นด็อกเตอร์สวยมากมาหาท่านบ่อยๆถามโน่นถามนี่ไม่เกี่ยวกับธรรมะแล้วก็แต่งตัวซะเชวเวกเชวาก้มทีเงี้ยแหมอย่าให้พูดดีกว่าแน่จอยอยังจำภาพด็อกเตอร์สาวผู้นั้นได้ติดตา แม้ถ้าอาตมาเป็นหลวงพ่อก็คงตาบะแตกแน่เลยแต่ถ้าหลวงพี่เห็นจริงๆผมว่าคงไม่พูดอย่างนี้หรอกมันทุเรศมากกว่าผมยังนึกทุเรศไม่หายคนอะไรก็ไม่รู้มีความรู้ซะเปล่าแต่ไม่มีขัวคิดแล้วท่านพระครูท่านว่าอย่างไรบ้างละ่ะที่เขาทําอย่างนั้นนะ่ะตอนแรกท่านก็สอนทางอ้อมว่า คนที่มาวัดมาวาควรจะแต่งตัวให้เรียบร้อยแต่ยคนนั้นแกไม่เข้าใจเพราะวันหลังๆแกก็แต่งแบบนี้มาอีกท่านก็เลยว่าเอาตรงๆท่านพูดว่าในอจเรียนเสียงและท่าทางของท่านพระครู <N> นิยมอาตมารู้นะวยโยมคิดยังไงกับอาตมาแต่โยมสิ ไม่ยอมรับรู้วาอาตมาคิดยังไงกับโยมอาตมาคิดจะสึกก็คงสึกไปเสนนานแล้วเพราะว่าคู่รักของอาตมาสวยกว่ายโยมทั้งหลายเท่าทั้งสวยทั้งดีอาตมายังไม่หวั่นไหวและทำไมจะต้องมาสนใจคนอย่างโยมผู้ซึ่งหาสาระแกนสารอะไรไม่ได้น่าเสียดายที่เป็นถึงด็อกเตอร์ ทำอะไรไม่สมกับภูมิรู้ของตัวเลยทำไมคุณจำแม่นจังแน่ใจนะว่าไม่ได้เพิ่มเติมเสริมแต่งขึ้นมาพระโบเฮียวถือโอกาสขัดคอรับรองว่าไม่ได้แต่งไม่ได้เติมอะไรทั้งสิ้นเดี๋ยวผมจะบอกว่าทำไมถึงจำได้นายจอยยืนยันหนักแน่นแล้วผู้หญิงคนนั้นว่ายังไง จะว่ายังไงก็สะบัดก้นลุกหนีไปเลยตั้งแต่นั้นก็ไม่มาอีกถ้ามาอีกก็อายยังมาตูมยังมาต่อยแย่น่ะสิแหมหลวงพี่เราก็ปากไม่เบาเหมือนกันนะให้ตายสิอ้าวจะรีบตายไปทำไมละ่ะยังหนุ่มยังแน่นอยู่เลยคนเป็นพระแกล้งว่าหากคนเป็นขรือหัดกลับเฉยเสียย หลวงพี่ว่าผู้หญิงที่ชอบศึกพระเนี่ยตกนรกไหมครับในจ่อยถามความเห็นมันก็พูดยากนะคุณนาแต่บาปนะบาปแน่ส่วนจะถึงขั้นตกนรกหรือเปล่าอาตมาไม่แน่ใจจะให้แน่ต้องถามหลวงพ่อว่าแต่ว่ารายอื่นมีอีกหรือเปล่าหรือว่ามีรายด็อกเตอร์รายเดียวมีอีกหลายรายเชียวละ ที่ผมจำคำพูดหลวงน้าได้ก็เพราะเหตุนี้แหละคือต้องฟังหลวงนาพูดอย่างนี้บ่อยๆแสดงว่าหลวงพ่อเนื้อหอมมากเชียวสาวๆถึงได้มารุมตอมก็ท่านรูปหล่อนี่ครับตอนที่ท่านนมๆนะสมบัติเนทนีอย่างเงี้ยชิดซ้ายเลยละ่ะในจอยอวดอ้างคุณสมบัติหลวงนา้างั้นเชียวเหรอเอแต่อาตมาว่าสมบัติหลอกว่านะ หลวงพี่แย้งในใจจึงรีบแก้ว่านั่นเพราะหลวงนาท่านฉันยาลดความหล่อมากไปหน่อยอะไรกันยาลดความหล่อมีด้วยเหรอมันเป็นยังไงนะไอเจ้ายาขนาดนี้พระบวัวเฮียวรู้สึกสนใจขอทีขอทีอทหลวงพี่อย่าฉันเลยนะครับยาขนาดนี้ยขนาดไม่ฉัน ผมก็ว่าว่ายังไงเอาอีกแล้วนะเมื่อกี้ก็ว่าแก่คราวนี้ว่าไม่รออีกแล้วประเดี๋ยวก็ลาออกจากตำแหน่งพี่เลี้ยงคุณซะหรอกท่านครูใจเย็นๆน่าหลวงพี่ผมพูดเล่นก็เอาเป็นจริงไปได้ ถ้าอย่างหลวงพี่ไม่เรียกว่ารูปหล่อแล้วใครจะมาหลอกคุณก็พูดเรื่อยไประวังบาปจะกินหัวนะคุณนาหลวงพี่เตือนว่าแต่ว่าหลวงพ่อท่านฉันยาลดความหล่อจริงๆหรือพระโบฮิเอลอยังติดใจเรื่องยาจะจริงหรือไม่จริงอันนั้นผมไม่รู้แต่ท่านเคยปรารบกับผมบ่อยๆว่าในจ่อยทาเรียนเสียงท่านพระครู จอยเอ้ยลงงนาเห็นท่าจะต้องฉันยาลดความหล่อเสียแล้วละ่ะไม่งั้นจะต้องสู้รบตบมือกับพวกพรหมจันทร์อยู่บ่อยๆความหล่อเนี่ยมันเป็นพรหมจันทร์พอๆกับความสวยนั่นแหละทำไมท่านพูดอย่างนั้นละ่ะอ้าวลงพี่ไม่เข้าใจก็พระหล่อๆนะ่ะถูกผู้หญิงศึกมาเสียมากต่อมากลงงนาถึงว่าพวกผู้หญิงสวยหนึ่งพระรูปรอหนึ่ง เหล่านี้เป็นศัตรูของพรหมจันทร์พระบางองค์เป็นถึงท่านเจ้าคุณยังถูกผู้หญิงศึกเอาไปเป็นผัวเลยอย่างอาตมาเนี่ยจะมีใครมาศึกบ้างไหมพระหนุ่มยังหวังว่าจะมีโอกาสออกไปใช้ชีวิตคู่เมินเสเถะชาตินี้ไม่มีหวังในจ่อยเกือบจะพล่งออกไปอย่างนี้หากก็ยั้งปากไว้ทันจึงพูดเสใหมว่า อยู่อย่างนี้แหละดีแล้วเรื่องอะไรจะต้องไปรบกับพวกมารหลวงนาท่านว่าสตรีเป็นศัตรูของพรหมจันร์ผู้หญิงน่ะเป็นมารพรหมจันทร์อันดับหนึ่งแล้วมารอันดับสองละ่ะอันดับสองได้แก่ลาบสการะสองอย่างนี้ทำเอาพระเสียพระมานักต่อนักแล้วก็ในเมื่อผู้หญิงเป็นมารแล้วทำไมคุณถึงไปรักโยมจุกละ่ะนั่น เขาผู้หญิงไม่ใช่รึพระบัวเหี่ยวแกล้งยั่วหลวงนาสอนว่ามานไม่มีบารมีไม่เกิดผมอยากสร้างบารมีครับในจอยตอบเสียงดังฟังชัด